เราผู้เริ่มปฏิบัติธรรมไม่เริ่มศึกษายอมอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านเคยดำเนิน ม, มาแล้วเป็นแบบสมบัติพาดำเนินเราเริ่มปฏิบัติและเริ่มศึกษาบุญตนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้นำเพราะเราไม่สามารถ เส้นเดียวกบเนิดต้องอาศัยผู้ใหญ่ตอนที่ยังไม่มีความสามารถมีความรู้วิชาและหน้าที่การงานที่จะทำแต่หลักของประสศาสนารู้สิกจะเป็นความละเอียดมากฉะนั้นต้องคอยแนะนำกันหรือเสมอส่วนยากซึงมองเห็นด้วยตาเนื้อก็พอทำได้ หรือได้ยินได้หูแล้วจำคนได้เะจำคนได้มีก่อนไม่ค่อยเทอะทะเนาะแต่เป็นส่วนเกี่ยวกับใจมี่เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นโปรดได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราได้รับการอบรมศึกษากับครู อ, อาจารย์ ตรงดูให้ชัดฟังให้ชัดแล้วนำสิ่งที่ฟังและที่เห็นแล้วนั้นเข้าไปจารึกไว้ในจิตใจเพื่อเป็นภาคปฏิบัติต่อไปอยาให้เกิดความเคยชินว่ามาอยู่กับท่านเป็นมิลานาน แล้วเราเข้า อ, อกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพาดำเนินถ้าเป็นความถ้าความคิดเป็นชนีเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะสิ่งหยาบหยาบที่ท่านเคยสอนแล้วเรายังมีความผิดพลาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ไหนเราจะไปนอนใจ ดิสําคันตนว่าได้เข้าอกเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ได้รับการศึกษาและได้เห็นได้ยินจากทา่านแล้อได้อย่างไรขณะที่อยู่กับครูอาจารย์รู้สึกว่าเป็นความสะดวกแม้จะมีภาระมากน้อยที่เกี่ยวกับทางวัดจะต้องจัดต้องทำด้วยความจำเป็นก็าทางแต่ทางด้านจิตใจ ที่เราจะดําเนินมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ฝังอยู่ภายในใจว่าเป็นความอบอุ่นไม่เป็นภาระอะไรเพราะเข้าใจใชื่อว่าเมื่อมีความผิดพลาดอันใดหรือไม่เข้าใจก็ศึกษาแต่ถามกับท่านละมีเป็นความเบาใจของเราแต่เวลาจากครูอาจารย์ไปแล้วหรือท่านจากเราไป แล้วจะเป็นจากด้วยความเป็นหรือความตายก็าตามนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักมากเพราะจะมองหาใครที่จะมาคอยที่ช่องบอกทางให้รู้ไม่มีนี่ผมได้เคยผ่านมาแล้วเป็นรู้สึกว่าฝังใจมาจนกระทั่งบัดนี้เวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น มีความเย็น อ, อกเย็นใจเกิดข้อข้องใจเมื่อไรเราจะอยู่ที่ไกลที่ไกลไม่สำคัญไปหาท่านจนถึงที่แล้วรับความเบาใจมาพอท่านมาลณภาพไปแล้วเท่านั้นแม้ปัญหาเพียงข้อเดียวยกระพยายามแก้ไข ด, ด้วยตนเองยังไม่สามารถได้ตามต้องการ ต้องทำให้เวยล่ำเวลาผ่านไปเคี้ยวตั้งหลายวันหลายเดือนก็มีในบังปัญหาบางข้อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำความเลื่อนช้าให้แกเราที่เราจรึงได้สำานกตัวว่าเวลาเราอยู่กับครูอาจารย์เราอาจจะนอนใจไม่ได้รีบเดินประหนึ่งว่าปัญหาเช่นนี้จะไม่ปรากฏในใจเราเลย แต่พอได้ปรากฏขึ้นเท่านั้นเนื้อหาผูกแกไขไม่ได้จึงมาเห็นโทษตัวเองมีทุกท่านที่มาอบรมศึกษาก็จะต้องผ่านปัญหาทางสายเดียวกันหรเดินไปตามทางสายเดียวกั น, นเรื่องของกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ภายในใจจะต้องแสดงขึ้นมาตามโอกาสที่ควรจะแสดงได้มากน้อยธรรมะ ที่จะนำมาแก้ไขนั้นบางทีก็ทันท่วง ท, ทีบางทีก็คว้าไม่เจอทั้งทั้งที่เราได้รับการอบรมศึกษามาจากท่านและท่านก็เคยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในธรรมะนั้นๆเสมอเขายังจำไม่ได้แก้ไขไม่ทันทำให้เสียเว ล, เวลาเพียงเสียเวลายังดีบางรายยังอาจจะเกิดความเห็นผิดขึ้น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 กายวาจาก็าต้องได้ดำเนินไปตามถ้าจิตมีความผิดพลาดหรือจิตไม่ตั้งจิตไม่แน่วแน่การงานก็จะไม่สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยในขณะเดียวกันสติที่จะปรากฏผลขึ้นมาเพราะปิการนั้นๆก็ไม่มีเรื่องของสติจะต้องอาศัยฝึกต่ตามการงานทางนอกทางในความเคลื่อนไหวไป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 ลองหลายครั้งหลายผลก็มีความช่ำชองและทันท่วงทีได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่จะต้องมีความเจริญขึ้นด้วยการอบรมหรือบำรุงเสมอเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติศาสนาอย่าทำใจให้อกแวกคอนแคนอย่าทำใจให้เป็นคนจับจดเพราะหลักธรรมไม่ใช่ทำจับจด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 นี่ก็เพราะว่าธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่เสมอไปนั่นเองคือคงเส้นคงมาอยู่เช่นนั้นทั้งท้ที่โลกจะเสื่อมหรือโลกจะเจริญเราจะเสื่อมหรือเราจะเจริญเราจะดีจะชั่วประการใดธรรม้องเป็นธรรมาผู้มีความฉลาดพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นผู้มีความเจริญไม่ว่าทางโลกและทางธรรม เพราะธรรมมีหลายประเภทธรรมสำหรับโลกผู้ครองเรือนก็มีธรรมสำหรับผู้เป็นนักบวชก็มีเป็นชั้นๆไม่ใช่เป็นธรรมประเภทเดียวเพราะธรรมออกจากท่านผู้ฉลาดได้แต่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าที่ตรัสะรู้ขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ถ้าไม่มีความฉลาดจนพอตัวแล้วจะไม่สามารถรู้รอบรอบเรื่อง ภายนอกภายในจนกลายเป็นโลควิทูขึ้นมาได้ธรรมาโลควิทูคือรู้แจ้งหินจริงเรื่องของโลกโดยชัดเจนด้วยเหตุผลโดยไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องติดบังลี้ลับพระปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์นั้ น, น, นเมื่อมีความฉลาดพอตัวธรรมะที่แสดงออกมาจากใจที่มีความบริสุทธิ์และความฉลาดนั้น ย่อมเป็นธรรมะที่จะยังบุคคลให้ฉลาดเมื่อปฏิบัติตามไม่มากก็ต้องน้อยและเป็นผลตอบแทนเสมอไปต่อผู้ปฏิบัติไม่เช่นนั้นไม่สมนามว่าธรรมะพระพุธิเจ้าเป็นมัตติมาคือมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลการสั่งสอนมูเพื่อน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 ของพระคือข้อวัดอฏิบัติภายนอกเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดภายในาท่านผู้ใดจะมีความแยบคายค้นคิดหามาได้เป็นสมบัติของตัวแล้วนำออกแสดงให้ทราบเหนือนกิริยาอาการใดที่แสดงออกมาแม้จะเป็นความฉลาดแต่กิริยาอาการนั้นแสดงออกมาจาก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 ตนได้ทั้งทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องม่ต้องไปคว้าที่ไหนเพราะการอบรมพติปัญญาอบรมอยู่ทุกวันมีความฉลาดขึ้นทุกระยะเราต้องทำให้เป็นแบบสบับของเราอย่าให้เป็นที่ตำหนิติโทษตนได้ว่ามีการย่อหย่อนที่ตรงไหนถ้าเราตำหนิเราว่า ได้ว่าเราย่อหย่อนที่ตรงไหนตรงนั้นคือค่าติดของเราอยู่นั่นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือค่าติด น, นั้นขวางหน้าหาเวลาที่จะประกอบความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปไม่นานถ้ามาพยายามแก้ไขจนค่าติด น, นั้นได้เบาลงไปและหมดไปอือเวลานี้มีอะไรที่เป็นค่าติดต่อเรา การนั่งภาวนานั่งทุกคืนทุกคืนทําไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาเป็นเพราะเหตุ อ, อะไรควรจะค้นหาสาเหตุที่มาของความไม่สงบว่าเป็นขึ้นจากอะไรผู้ปฏิมิเพื่อธรรมะต้องค้นหาเหตุหาผลจนทราบทัดไม่ทราบทัดก็นั่งไปอย่างนั้นนั่งหลับด้วยจับปงอกแล้วยังไม่แล้วหลับตกผู้ติไปก็มีดูสิ มันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่ทราบสาเหตุว่าการที่ตกุติไปเพราะอะไรเพราะห่วงนอนการง่วงนอนเป็นเพราะอะไรเพราะความเพียนอ่อนแอไม่ใช่เป็นเพราะอะไรใจอ่อนแอความมีความย่อหย่อนประจาใจมีความอ่อนแอประจำใจถ้ามีใจเข้มแข็งแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีอำนาจไปไม่ได้เพราะต่างคนก็ได้ดำเนินมาในทางสายเดียวกัน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 แล้วก็ว่าตัวภาวนาภาวนาหาอะไรอย่างนั้นถ้าภาวนาแบบนี้ภาวนาจนวันตายไม่เห็นผลเพราภาวนาเพื่อหลับนี่ไม่ภาวนาเพื่อรู้อัดรู้ทำและรู้เหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นจากความงงเหงาห้านอนจนถึงกับมันหลับไปการพิจารณาทําให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้เราจะพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้คือความบกพร่องประจำตัวของเรา วันนี้เคยเป็นเช่นนี้ถ้าแก้ไขกันไม่ได้แล้ววันหน้าก็ต้องเป็นเช่นนี้เดือนหน้าปีหน้าตลอดการแห่งอายุไขัของเราจะต้องเป็นการทำนองนี้ไม่มีทิ้นดีพูดฝึกหัดดัดแปลงตนเองต้องดูจุดบกพร่องของตัวเช่นเกิดความงงเหงาขึ้นห้านอ น, ข, น, ข, นขึ้นมาอาจจะแก้ไข ย, ยังไงลงเดินจงกรมลงเดินจงกรมแก้มันยังไม่หายเอาหาเรื่องเข้าไปอีก ไปหาสถานที่กลัวๆมันจะเป็นยังไงเมื่ออุบายวิธีทันมันก็หายไปถนัดความง่วงจะทนต่อสู้เราไปไมันานโดยมากความง่วงเป็นเกิดขึ้นเพราะอาหารตาบทางอาหารลงไปมันเพราะถันมากกินมากมันก็ง่วงลดน้อยลงไปมันจะเป็นยังไงสังเกตดูความง่วงเหงาน้อนก็เบาลงไปเบาลงไป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 เคยโง่ามาเหมือนกันแล้วเคยหาอุบายแจ้ความโง่ได้เป็นบางแขนแขนามาเป็นน้ำหนับเหมือนกันจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังจะเห็นความง่วงเหงาห้านอนเป็นของดีของสมาอยู่แล้วเราก็มาเห็นธรรมะซึ่งเป็นของแ ป, กปรกลาดและอัศจรรย์ทั้งมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องเหล่า น, นี้ไปได้ไปที่ไหนก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นมีโปรดพากันเข้าใจ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 เป็นหัวหน้าเหยียบย่ำความเพียนให้ลดตรงไปลดลงไปจนไม่ปรากฏความเพียนคือความมีสติปัญญาประจำใจเลยจากนั้นก็จะหาเรื่องว่าเรานี่บําเพ็ญเพียนมาเวลานานแล้วไม่ปรากฏมาผลนิพพานหยุดจะดีกว่าแล้วหยุดไปแล้วจะได้อะไรมั่งเราก็ไม่ได้ทํานึ่งเพราะเรื่องความโง่มันต้องเป็นทําการเหยียบย่ำตัวเองเสมอไปอย่าเข้าใจว่าความโง่จะทําเราให้มีเกลียดจะทําให้เรามีความฉลาดจะทําให้เรามีความ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 จนปรากดเป็นผลที่มาพระจักใจมีอะไรมัง่งเราต้อง ท, ทดสอบดูเรื่องของเรานี่ที่เว่าผู้ภาวานาต้องเป็นอย่างนี้เรื่องมรรคผลมิพานนั่นเราไม่ต้องพูดจะหนี้จากหลักของเหตุไปไม่นด้ความหลับมันก็เกิดขึ้นมาจากความงม่วงซะก่อนนั่นมันยังมีเหตุความง่วงมีอะไรเป็นสาเหตุอีกทีหนึงนั่ น, น, นตั้งแต่เพียงโลกๆอย่างนี้มันก็ยังมีสาเหตุติดต่อกันไป เรื่องมรรคผลนิพพานยิ่งเป็นเรื่องของธรรมะจะไม่มีเหตุผลโดยสมบูรณ์ไปเป็นอลำดับจะจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องและจัดว่าเป็นสุ ข, ขาษธรรมคือพระพุทธเจ้าจะใจชอบและชอบแล้วได้อย่างไรเราต้องนํามาทดสอบตัวของเราไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้ใจไม่เหนือจากการฝึกผลทรมานการทรมานตัวเองฝึกผลตัวเองต้องดูกําลังของตัวกําลังของสิ่งที่เป็นค่าฝึกค่าฝึกมันแสดงขึ้นมาก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 นี่คือว่าความเพี่ยงนี่ทื่อว่าอุบายของคนฉลาดชื่อว่านำธรรมะซึ่งเป็นเครื่องฉลาดสอนคนให้ฉลาดเข้ามาปฏิบัติตนจริงเราต้องคิดอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นความเข้าใจของเราว่าเราทำความเพีย่ยนเดินจงกรมกับกลับไปกลับมาเราฝ่า ว, ว่าเป็นทำความเพีย่ยนในเรื่องของสติที่ประจําใจนั้นมีหรือไม่ หรือเดินก็เดินเพื่อคิดเพื่อฟุงเพื่อแต่งเพื่อพุง่งเฟอเห่หเหิมนั่งก็นั่งอย่างพุง่งเฟอเห่หเหิมเดินก็เพื่อพุ่งเฟอเห่ห์มีแต่ความพุง่งเฟอเห่เหิมประ จ, จําใจอยู่ตลอดเวลาจะหาความเปลี่ยนที่ไหนมีไม่มีถามีสติคอยสังเกตสอดรู้กับอาการของใจที่แสดงขึ้นมานั่นแหละที่ว่ามีความเพียนการนั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนผู้นั้นที่ว่าผู้มีความเพียน เพราะรู้เหตุรู้ผลซึ่งเกิดขึ้นจากตัวพูดง่ายๆก็คือว่ารู้เรื่องของตัวคนมีทางรู้เรื่องของตัวก็มีทางแก้ไขตัวได้กลายเป็นความสุขขึ้นมาบุบายผลตนเองไม่ใช่มีเพียงเล็กน้อยสิ่งที่เป็นค้าศึกต่อเราก็ไม่มีจำนวนน้อยแสนกลมายาอยู่นั่นหมดหากปัญญาไม่ฉลาดทันก็ต้องยอมแพ้ทุกๆเวลา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 มาเป็นค่าสึกต่อเราเวลานี้มีอยู่กับเราหรือไม่นันแรคือค่าสึกของเนาะนันแรเป็นค่าสึกของธรรมเราเรียนธรรมเราปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่จัดว่าเรียนธรรมและปฏิบัติธรรมเราต้องแก้ลงที่จุดนี้จะอยากนามา ก, การรักษาด้วยอานาจาด้วยการรักษาสติการคิดด้วยปัญญานี้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 เพื่อจะเอาสมบัติที่วิจกว่ามหาสมบัติขึ้นมาภายในใจได้แต่โลกุตระสมบัตินั่ น, นเมื่อพระพุทธเจ้าแปกจากโลกโลกต้องยอมกลัาทางด้านความเพียรก็โลกสู่ไม่ ไ, มได้ความเฉลียวฉลาดความบริสุทธิ์ทางใจก็โลกค่อยต้องยอมกล่บ ธรรมะที่หลุดลอยออกมาจากพระไทยพระพุทธเจา้าของพระพุทธเจา้ามาสแสดงกับโลกโลกเขายอมกราบสงฆ์สาวกก็ดำเนินตามร่องลอยของพระพุทธเจา้าพระองค์ดำเนินอย่างไรสาวกก็ดำเนินตามจึงกลายมาเป็นสถานะของโลกได้หากว่าสถานะของโลกกับพวกเราให้ผิดแปลกอะไรกันแน่จำเป็นอะไรจะต้องกราบต้องไหวเคารพ บ, บูชางานเราต้องคิดเราถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมะบัติของเราเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเราแล้ว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 สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโกคัสสมบัติก็ตายคนจนๆก็ตายแต่ความตายนั้นต่างกันเราอยากให้ตายแบบธรรมดาที่โลกตายกันดีแต่ให้ตายด้วยความพาความเปลี่ยนตายด้วยความขยนันตายด้วยหลักด้วยอาจด้วยธรรมตายด้วยความบริสุทธิ์หมดจดภายในใจนี่จะเป็นที่แน่ใจตัวเองและค่อว่าเป็นผู้ทรงศ า, าสนาจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสาหรับตนด้วย น่าะจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหับโลกให้ได้รับผลประโยชน์จากเราผู้มีความมั่นคงเต็มที่แล้วด้วยภาวนาดูเรื่องของตัวมาตลอดเวลาไม่ทราบเรื่องของตัวนี่ก็อัศาจรรย์เหมือนกันการสอนหมู่เพื่อนมาก็าจะหมดสติปัญญาซะแล้วเวลานี้ไม่เห็นอะไรมีแวบัง้งถ้าไม่นั่งหลับอยู่ต้องรู้ถ้าไม่เดินอยู่แบบ ชาวบ้านเขาเดินู้ศรัตทั้งหลายเดินนั้นมันต้องรู้เดินด้วยความมีสตินั่งด้วยความมีสติเพชารณาด้วยความด้วยอัดด้วยทมต้องรู้เรื่องของธรรมที่มีอยู่ภายในใจและรู้เรื่องจริงที่เป็นค่าศึกภายในใจมีทางดักแก้ไขกันได้เพื่อต่อเพศที่เคยอธิบายให้ฟัง มีมีอยู่ทุกท่านแมครูอาจารย์ที่ท่านสอนเราท่านก็เคยมีมาเป็นประจำเหมือนกันท่านทาไมท่านแก้ได้พระพุทธเจ้าหลวงท่านทาไมท่านแก้ล่ะท่านแก้เพราะอะไรถ้าเราจะต้องการของดีต้องหาผู้ดีมาเป็นคติมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราเราจะหาผู้ต่ำกว่าเราหรือหาเอาแบบเรานี่ไปใช้ แบบเรานี้มันแบบขี้เกียดแบบเรานี้แบบไม่มีธรรมะเป็นเครื่องปกครองเราต้องหาธรรมะมาปกครองใจของเราเราจะกลายเป็นแบบหนึ่งขึ้นมาภายในคนคนเดียวนี้คำว่าสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อมาเป็นเวลานานจนชินใจแล้วถึงกับจะหมดความสนใจต่อการทาสมาธิความจริงสมาธิที่แท้จริงนั่นเป็นอย่างไร ขุดค้นลงไปให้สมาธิปรากฏขึ้นมาลองดูสิจะแปลกประหลาดจากคนคนนี้อย่างไรบ้างจากใจตรงนี้อย่างไรบ้างเราจะเห็นด้วยเราไม่ต้องไปคูณถามพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์องค์ใดๆจะรู้ภัยในจิตไม่ว่าสมาธิขั้นใดสมาธิขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดจะต้องปรากฏขึ้นเพราะผู้รับรู้ในเรื่องของสมาธิทั้งสามนี้มีอยู่กับใจคือผู้รู้ตรงนี้ปัญญาถ้า<ม>ออกนาออกท้ายคิดค้น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 สิ่งเหลนี้ปัญญาเป็นคู่ปรับกันแก้ไขกันความโง่จะเอาความโง่ไปแก้ความโง่ไม่ได้ต้องเอาความฉลาดไปแก้ความขี้เกียจก็ต้องเอาความขยันเข้าแก้ความโง่ห่างนอนก็เหมือนกันเราจะเอาความหลับไปแก้มันก็หลับมันยังทำกึญยังลุ่งสิจะว่าอย่างไงพรอุปคุตท่านปราบมารท่านาไม่ได้ปราบแบบเราเนี้ยนะท่านปราบมารภายในใจของท่านได้มารภายนอกท่านก็ปราบได้ ทำมไใ้ปรล์มแบบหกคอมเมนแท้ๆตกลงกุฏิเหมือนเรานี่นะนี่ได้ความอะไรนี่นจะเป้าอุปคุธอะไรนี่มีสรดสังเบศนานได้ยินอย่างนี้นะมันถึงใจจริงๆมันโง่ขนาดไหนนี่ภาวนาจนนั่งหลับยังมาแล้วยังตกกุฏิลงไปอีกนี่ว่าไง เราจะหาความชนะจะพามาจากที่ไหนเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่พยายามฝึกฝนตนเองแก้เร่านี้ไม่น่าเราจะอามาผลนิพพานที่ไหนมีตายทิ้งเปล่าๆแล้วแล้วยินจะเชื่อปัญญาปัญญาไม่ทราบว่าปัญญาเป็นยังไงขอถอนจิตเหลือตัวเองเพียงนิดหนึ่งก็ไม่ไดันอนตรงกันดีจะหาความสุกความสบายจากใจมาแต่ที่ไหนไม่มีอยู่ที่ไหนก็ร้อน ทำมีสิ่งทีร้อนอยู่ภายในใจแล้วจะไนอนแค่น้ําก็เย็นแต่ส่วนร่างกายใจต้องร้อนถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นยิ่งมีธรรมหล่อเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นหมดอตื่ น, นตาสบายทั้งนั้นอันนี้สงที่เกิดขึ้นจากความขายันหมั่นเพียรต้อง น, นําไปพิจารณา เรื่องอย่างนี้มันมีได้โดยการไม่จะตําหนิคนนั้นไม่จะตําหนิคนนี้พูดถึงเรื่องที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งเราทั้งท่านเรื่องที่เกาาี่ยวกับมันแล้วก็สอนทั้งอุบายวิธีแก้ไขไม่ถือว่าเป็นการตําหนิไม่ถือว่าเป็นการเหยียดหยามตัถูกกันในทางหลักธรรมนํามาพูดเพื่อให้รู้เรื่องและให้รู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งท่านและเรา มันสมายจนเกินตัวมันมันหลับได้ลองดูสิลองแบบที่ว่าเอามันจะหลับได้จริงๆเลยวะนั่งมันสักกี่ชั่วโมงไม่ควรกินก็ไม่ต้องกินกันอ่ะมันจะมันจะหลับได้จริงๆเลยนั่นนะวิธีธรรมาวิธีหนึ่งที่เหมาะที่สุดสําหรับเราซึ่งกําลังอยู่ในฐานะเช่นนี้มันสักกี่ชั่วโมงมันจะหลับได้จริงๆเลย มันเหนื่อยมันก็ตื่นเท่านั้นสิเอาตื่นขึ้นมาก็ไม่ลุกครร้อนดูเรื่องของความทุกข์ความง่วงอีกทีนออมันจะได้เห็นทุกข์สักทีทุกข์มันเกิดขึ้นจากที่ไหนปัญญาอย่างลงไปถ้ามันเห็นเรื่องของทุกข์ทั้งทุกข์ส่วนส่วนกายทั้งทุกข์ส่วนใจถ้ามันเห็นหมดนี่เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่ความง่วงเหงามันจะเกิดหลับสักทีหนึง่ง มันอยู่กับเราเราแก้ไขได้จะเคยเป็นมาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับกปกติเป็นเหมือนกันนะั่นแหละแต่นี้จิตมันเป็นยังไงเมื่อทราบนี่ทาลงไม่ว่ายังไงแล้วมันเหมือนหินผักนะเพราะเอานาวนันนี้เท่านั้นแหละจะอะไรมาแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นนะถึงจะตายก็ไม่ยอมแก้ไข ถ้าได้พูดว่าวันนี้นั่งเท่านั้นนะจะเอาเท่านั้นชั่วโมงหรือจากนี้ถึงนั้นอะไรไม่มั่นคงก็ขอให้ขาดไปแต่เรื่องความตัดที่ตั้งวันนี้จะไม่ยอมให้ผ่านจนกระทั่งหมดลมหายใจไปในขณะที่นั่งนั้ น, นจิตจะไม่ยอมให้หนีออกนอกสัดจะทมเมื่อได้ทุ่มเทกําลังลงถึงขั้นเอาชีวิตเขาแรกแล้ว จะไม่มีกระแส จ, จิตดวงในที่จะไปเทศผ่านออกข้างนอกแบบโลกโลกอย่างที่ดังที่เคยเป็นมาแต่จะถูกขนาบกันด้วยความเพียนด้วยสติบังคับกันอยู่เช่นนั้นทุกจะเกิดขึ้นมาก็สาทุทีเดียวยกมือขึ้นฟังเลยนี่ทุกข์ขั์มีอยู่ภายในกายของเราวันนี้หรือมีอยู่ภายในใจมีเท่าไรจงแสดงขึ้นมาให้หมดวันนี้เราจะพังเทศ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 ฝุดค้นกันลงไปจนเห็นความอัศจรรย์ขึ้นในระหว่างแห่งทุกข์ซึ่งกําลังเกิดขึ้นนั้นเห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทุกข์กำลังแสดงตัวเต็มที่เขาอํานาจของปัญญาได้ฝุดค้นลงในจุดนั้นซึ่งเป็นจุดอริยสัจอันถูกต้องตามพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ใจเยิงกาเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้สักขีพยานในเวลาจวนตัวเช่นนั้น นี่ก็ได้ทรมานมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่มาพูดให้หมู่เพื่อนตางด้วยความโกหกจะโกหกกันไปทําไมไม่เป็นประโยชน์บวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อการโกหกพกลมปฏิบัติมาไม่ปฏิบัติมาเพื่อเล่นๆจะเอาคําเล่นมาพูดกันหน้ายังไงสอนกันเล่นๆมีอย่างเลยต้องสอนจริงเพราะทําจริงหารู้ให้รู้อย่างจริงๆไม่ไม่รู้แบบหลอกหลอนไม่รู้แบบโกหกอลองดูที่ท่านนักปฏิบัติ ถ้าเป็นลูกศิษย์สถากดจะให้เป็นผู้ปรากฏเด่นในดวงใจของตนเองแล้วจงยึดหลักข้อปฏิบัติคำคุ้ยเจ้าด้วยความเข้มแข็งเรื่องความมัศจรรย์จะแสดงขึ้นที่ใจดวงกําลังโงกเขาเบาปรราัญญาหรืออ่อนแออยู่เวลานี้จนไา้ไม่ต้องสงสัยธรรมะมาอยู่ที่ไหนที่เรียกอยูที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นหรือถอนกันเรื่องสิ่งที่เป็นข่าศึกหมาแล้วธรรมะล้นล้นเขาปรากฏ ข, ขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจ นั่นคืนอความอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปุดปลดปุกผนธรมา น, นที่ได้แสดงนี้ก็เห็นว่าสมควรขอให้ท่านนักปฏิบัตินำไปที่นพิจารณาและดำเนินตนด้วยความเข้มแข็งจะไม่เสียทีที่เลยมาบวชและปฏิบัติในศาสนาจึงขอยิติทำเทศน่องสางเป็นท้